ต่อนื้ไปก็ อ, อบิรดาพระพุทธบริษัททั้งหลายจังใจฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแตกครู่หนึ่งการเจริญพระกรรมฐานแบบนี้เรียกนว่าเจริญเพื่อปีญญาและมิตาสามทึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เหมือนกับแบบสุขวิบัสโก ควางจริงก็น่าจะจําไม่ด้วยว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนาในมีสี่แบบคือหนึ่งสุขาวิบัสสโคทำสมาธิกับปัญญาเรื่อยๆไปโดยไม่ได้อะไรเลยเพืวายจะได้อารหันสำหรับตีโชคือวีชาสามมีความรู้พิเศษเป็นหนึ่งได้พิจารคุญาน สา ม, มารถเห็นสวรรค์เห็นโลกเหนสีเห็นทิวทัศน์เห็นเป็นสุกกายได้ <c oughs> แ ล, ล้วก็ฝุกเปรีวายสารสุตตยานสา ม, มารถอนุชาติได้อาศัตยายนสามารถทํากิเลสให้สิ้นไปได้เรียกขึ้นว่าวิชาสามและแบกด้านะภิน ญ, ญานนั้นก็มีการสแสดงลิศต่างๆได้มีหูเป็นคิดมีสแสดงลิศทางใจเป็นต้น <c oughs> ทรงความว่าได้พิญญาหกมีการสนแนสดงฤทธิ์ต่างๆอห่อเ ห, หินบรรนากาศเทมิตอะไรต่ออะไรต่างๆได้ทุญญกอย่างและก็เหมือนกับวิชาสามก็สา ม, มารถลิุชาดได้ด้วยเป็ น, น, นปมทนนนีทิ่จุปุญญณได้ด้วยมรรถสวะกดิเลิให้สิ่นไปได้ด้วยแลหรบบส่วนที่สี่ที่เรียกว่าปริชัมลิทายาน มีความรูค้คมมิชาสามละทิญยาหกทั้งหมดแต่ว่ามีความเฉลี้ยสลายนกว่าเมื่อทั้งสี่อย่างนี้มีการปฏิบัติไม่เหมือนกันสำหรับสุขสุ ข, สขที่กัสสกุก็ทำสมาธิแบบเรีเปเรียบโดยไม่เห็นหน้าไม่เห็นหลังไม่เห็นสีไม่เห็นเยวดาว่ า, วาอาจารย์กำลังเข้าสมาธิระลึัศาสนา สำหรับวิชาสามจิตจับกระสินดวงใดดวงหนึ่งขึ้นมาแล้วเมื่อจิดเข้าถึงอุปจารสมาธิก็สุดทิพยุกิยานสำหรับอภินญาหกจะต้องทำกระสินสิบอย่างให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดแล้วก็เพื่อนั่นก็ปฏิบัติเแล้วสุดในด้านอีกชีวิตต่างๆสำหรับปฎิสันนิชายาจะต้องปฏิบัติให้เกิดสิงได้สมาบัตแป แล้วก็จะเริงรุ่งปั ญ, ญายานในเมื่อจิตเขา้าถึงตังนหาขามีที่จะได้บริสันนิตายานเรื่องการฝึกวิปวัยขันก็เขาได้โปรดทราบไว้ด้วยตังนี้ีเขาว่าถ้าเราไปพบที่ไหนจะได้รู้ว่าการปฏิบัติแบบทีเก็ปฏิบัติกันแบบอะไรไี่วิธีปฏิบัติที่เราปฏิบัติเปนอยู่นี้คือวิธีบวกเืีย ว, ว่ามีวิชาสามกาพิยาร่วมกัน แต่พ่อปัญญานี้นำมามาอย่างเดียวคือมโนยิทธิที่เรียกว่ามีลิทางใจตอนขึ้นตน้นแต่ขึ้นตน้นโดยกำลังของวิชาสามเมืเ่อเสื่อไปถึงจุราโมมีได้อันนี้เป็นอภิญญาทือมโนยิธิตอนขึ้นต้นเห็น ว, ว่าครูจะแนะนำให้ท่นปักคันข้า บ, บางมาถึงมารมีต้องสำเร็จตัสัมมาสำรจเจ้าบัง แล้วยกถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ไกลๆเห็นพระพุทธเจ้าไหมเห็นเทวดาองค์นั้นไหมเห็นเทวดาองค์นี้ไหมเมื่อคำว่าเห็นในที่นี้ขบรรดา้าชพุทธบริษัททุกทคนเข้าใจไว้เสีก่อนด้วยนัพยางไม่ได้คำว่าเห็นในที่นี้ไม่ใช่เห็นในลูกตา ตอนนี้ขอทุกคนลนะอย่าใช้สติสัมปชัญญะให้มีอย่าลืมว่าเราหลับตาแล้วได้คำว่าเห็นในที่นี้มันเป็นอารมณ์ของจิตเป็นทิพย์คือเป็นความเห็นจากจิตถ้าจิตของท่านเป็นทิพย์มากจะเห็นชัดมากจิตของท่านเป็นทิพย์น้อยจะเห็นชัดน้อย รวมความว่าขณะที่เราจะเริยนสมาธิอย่นี้จิตของท่านว่างจากกิเลสมากจิตสะอาดมากมันก็เห็นมากเป็นชัดจิตสุกโปรกมากมันก็เห็นไม่ได้ไม่เห็นเลยถ้าจิตสุกโปรกน้อยแต่ว่าสะอาดน้อยมันก็เห็นไม่ชัดจะเห็นชัดหรือไม่ชัดนีไ อ, อ้ความเห็นนีคือความรู้สึกทางใจ อันดับแรกจะมีความรู้สึกเหมือนอันดับแรกจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราลวงตัวเองเรานึกเอาเองอาจจะเห็นเป็นอย่างนั้นเรื่องการสงสัยค่อยตัดไปเลยนะให้มั่นใจว่าขณะใดที่จิตเราอบรมสมาธิจิตเราโรสมาธิขณะนั้นกิเลสไม่มีเข้ามายุง่ง ความรู้สึกในขณะนั้นเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องทั้งหมดฉะนั้นเวลาที่ครูกข้ไปแนะนําท่านในความจริงการฝึกแบบนี้เนี่ยเราลักชีวา ม, มากเกินไปสมัยก่อนการฝึกก็ไม่เข้าวิกเคียะ์กันแบบนี้เป็นเพียงแนะนําให้นิดๆหน่อยๆไม่ว่าดูเราสีกันเราเองแล้วก็ฝึกฝนกนเราเอง จะเป็นด้านโชกุนบะรสกโกติวิโชชะละสินโยปฏิสมิทัพปโตก็ตามไม่มีครูเขาเขาไปนั่งจำที่จำใยเขาแนะนำให้เราแล้ ว, ลวเราแค่เข้าใจแค่ไหนแล้วก็ไปทำตามนั้นได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเราครูเขาไม่ไปตามข้ามสอน ตอนนี้เห็นมาองสนดเดชวจินดาวรนปรมาจักรฉันามีพระมหากรุณาธิคุณให้สอนอย่างนี้ก็สอนต่างนี้แต่ว่าขอท่านที่ได้เป็นแล้วนะอย่าปล่อยให้เราเสียใช่ไหมแล้นะมีบางรายได้จากการึกลับไปบ้านไม่ทำเพลงเพราะเขาว่าไม่มีต้นคุณนี่คนโง่แบบนี้ก็มีแต่ว่าทางชนะ ก, ก็ไม่เสียด้ ท่านคณะสีว่ะคาตาโรตถาคาตาพระพุทธเจ้าประดับตวะตถาคพุทธะเพียงผู้บอกบอกให้ไปแล้วได้ไปแล้วจะรักษาไม่ได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของท่านทางคณะไม่มีการปลูกพันใดๆทั้งสิ้นสีว่าให้แล้วคนแล้วกันไปท่านจะดีหรือจะมีัวก็เป็นเรื่องของท่านจะทรงไว้ได้ดีขึ้นไปหรือจะเสื่อมทรงก็เป็นเรื่องของท่าน เรื่องทางสำนักไม่ห่วงทั้งนี้เพอะไรเพรว่าจะให้เหมือนกับพ่อแม่ที่ให้สมบัติไปแล้วท่านลูกปกครองไม่ได้ที่จะานตามเป็นสงสารเพื่อประโยชน์อะไรไอ้คนที่เขาหามาให้ก็หามาในความเหนื่อยยากเขาสงสารหามาได้แต่เราเป็นผู้รับเท่านั้นไม่สามารถจะรักษาได้ก็เป็นเรื่องของท่านต่อไปก็มาสร้างความเข้าใจในจุดแรกสําหรับที่ท่านปฏิบัติใหม่ แล้วก็เป็นปฏิบัติใหม่คนดีปฏิบัติเก่าคนดีอารมณ์แรกที่เราจะเข้าสุดสมาธิสิ่งที่มีความสาคัญจริงๆก็คือศีลเรื่องของศีลนี่นับแต่เวลานี้เป็นต้นไปให้มันบริสุทธิ์ตลอดชีวิตถ้าว่าศีลแล้วไม่บริสุทธิ์สมาธิมันก็ไม่ทรงตัวมันก็เสื่ เมื่อสมาธิไม่ทรงตัวปัญญามันก็สลายในผลที่เราได้ไปมันก็ไม่มีเพราะว่าคําว่ามโนยิทธิคือริษฐานใจเรียกพัญญานี่ถ้าพิญญานี้ไม่อยู่กับคนเลวพิญญาแปลว่ารู้ยิ่งกว่าอารมณ์ปกติอารมณ์ปกติเราไม่สามารถีะเห็นนรกได้เห็นยมบาไม่สามารถี่เห็นเปรตอสูรกายได้แล้วผีได้เทวดาคมอะไรต่าง เราไม่สามารถจะเห็นได้เราไม่สามารถจะไปได้เมื่อเราทรงออกินยาเรารู้ยิ่งกว่าจิตธรรมดาเราไปได้เราเห็นได <c oughs> ้เมื่อเราไปได้ <c oughs> เห็นได้เพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุอันดับแรกก็ต้องมีสีบริสุทธิ์ั้นเรื่องของสีนี่เขบรรดาชนพุทธบริษัท ต, ต้องทรงตลอดชีวิต อย่าธิความจําเป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าถิ่นไม่บริสุทธิ์ท่านก็มีโอกาสจะลงนรกถิ่นข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถาม้าบกพรองก็มีโอกาสลงนรกในเมื่อเราเป็นสมบัติของนรกเราจะทรงอภิญยาได้อย่างไงมันไม่ได้อภิญยานี่เขาส่งไปเพื่อเป็นเทวดาเป็นชมและปลาน ไม่เด็ดสุดอวิญญาเพื่อไปในรลกฉะนั้นคนที่ศีลไม่บริสุทธิ์ยังไม่สามารถจะเข้าจุลามูนีเจรีสถานได้ถ้าเราเอาสมาธิจะพอใช้ได้ไปได้ก็เข้าจุลามูลีไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องวัดถ้าหาว่าใครศีลไม่บริสุทธิ์มาก่อนจะรีบตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้เ <c oughs> ว่านักแสดงนี้เป็นต้นไปเราจะทรงสิลห้าให้บริสุทธิ์ แต่คนที่มีกำลังใจก็ถึงพระอนาคามมีจิตจะติดทิงแปดเป็นอารมณ์เมื่อทิ้าสุดดีแล้วเราก็ยังไปไม่ได้ตอนนี้ก็ระวางใจระวางใจคือว่า ย, ย้ายยุ่งกับมืวันห้าขณะที่เราจะทรงสมาธิจิตตัดความรู้สึก ความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเด้หมดอกใจว่าเดี๋ยวเดียวมันไม่ตายตัดสิ้งใจว่าเราไม่ต้องการมันเลยร่างกายของใครเราก็ไม่ต้องการร่างกายก็เราเราก็ไม่ห่วงมันจะตายแคในเวลานี้ก็เชิญ ถ้าตายเวลานี้อย่างเลวที่สุดเราก็ไปเกิดในกามาวาจรสวรรค์เป็นสวรรค์หกทันถ้าอารมณ์ดีนิดหน่อยใจเรียบี่เียกกันว่าเป็นฌานเราก็เกิดเป็นสมภถ้าจิตที่เราไม่นินยมโลกกับธรรมหมความไม่อินยมโลกีติสัยเหอุการเกิดเป็นมนุษย์ทันเป็นทุกข์ความเป็นเทวันดาหรือสมพักทุกข์ช่วคราวไม่แน่นอน องสมเด็จพระจินวรมงกุฎรทรงตรัว่านิพานนางประมังสัก ข, ขังนิพานจะตกอย่างยิ่งเราต้องการนิพานใหน้ขณะที่ท่านหลายตัดสินใจว่าแรางกายนี้ไม่มีความหมายสําหรับเราแรางกายของคนอื่นเราไม่ควรปรารถนาตัดสินไม่มีความหมายสําหรับเราเราจะตายเนเวลานี้เ่านเราต้องการนิพาน ถ้าจิตใจเขามาได้ในบริษัทแตบอย่างนี้อารมณ์ติดก็มันเรี่ว่าเป็นจิตสะอาดที่สุจิตตรงนี้และมีความสำคัญสว่างหรือไม่สว่างมันอยู่กันตรง น, นี้หนะึ่งศีลบริรสุดธสองอารมณ์สมาธิทรงตัสวสามมีการตัดทินใจเด็ดขาด เห็นว่าร่างกายของเรามันเกิดมาเพื่อตายเราจะอยู่ไปไม่นานมันก็ตายในเมื่อแต่ร่างกายของเราตายนี่เราจะแบกอะไรไปด้วยบ้างแบกหัวไปก็แบกเมียไปก็แบกลูกแบกพ่อแบกแม่แบกพี่แบกน้องแบกทรัพย์แบกสินแบกไปได้ไหมเป็นอันเลอกความตายมาถึงความเป็นสามีพัญญาบิดามัรดาลูกหลานเหลินหมด ไม่มีเหลือไม่มีใครเข้าไปกับเราเราไปแต่คนเดียวแล้วสิ่งที่มันไม่ไปกับเราอีกที่สิ่งที่เราใต่คิดิดฝึกก็คือร่างกายร่างกายที่ว่าเป็นเราเป็นพวกเราเนี่ยความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเปลือกที่อาศัยโชคเราวเต็มไปด้วยความสกปกโสโครกขมนายมิวจาระปัสสวะนําเลือดสําเหล้าน้ำหนอง มีโรคภัยไข้เจ็บเปียกเยนในวิสุทความตายเข้ามาถึงเมื่อร่างกายมันตายจิตสม่ได้ตายถ้าจิตดีก็ไปโซ ส, สุขติมีสวรรค์พรมนิพพานถ้าจิตเลวก็ไปโซทุกติมีนรกเปรตสุเปรกสติลิชนหรือถ้าเกิดเป็นคนก็เป็นคนเลวมีความสาคัญอยู่ที่จิตเรามีจิตเรื่องที่เรียกว่าทิสมาใกาย เลืคอเรื่องอรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่ท่านจะทรงสมาธิจิตอันดับแรกให้ใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายเสีก่อนไม่เพียพิจารณาความตามความเมื่เกี่ยงสิ่งบังคับนั่นคือศีลศีลนี่ทยานชำระให้บริสุทธิ์ตื่นขึ้นมาเช้าที่เราคิดนั่นหมอว่าศีลห้าข้อมีอะไรบ้างเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ แล้วก็สมาธิจิตมีอะไรอาจารย์ก็สั่งภาวนาวัานละมะพาะทะควบคู่กับมออกลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้านี่ก็มะมลายใจออกนี่ก็พาทะอันนี้เราจะส่งไว้ตามจังหวะของเวลาและจิตที่เราจะไม่ยอมทิ้งก็ในเราถิดว่าราคะความรักในระหว่างเพศที่ร่างกายของเราจะมี มันเร็วมันสุขปรกร่างกายของบุคคลอื่นก็สุขปรกนอกจากสุขปรกแล้วมันก็เสื่อมโทรมเต็มด้วยความทุกข์มีโรคภัคยไข้เจ็บเกีเ่ยวนในสุขภพตายร่างกายนี้ไม่มีความหมายถ้าเราหลงในร่างกายเราก็จะมีแต่ความทุขกข์ความสุขที่มันจะมีอยู่ได้คือเราไม่มีร่างกายนี้ต่อไป ตามที่พระอินทร์ทรงจัดในสมัยพระองค์ส ม, ดส ม, ม, สมดสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรดิษฐ์ดับขันธ์กะสู่ทธาตุปฏิมิตรันข <c oughs> ันธรงเปลงวาจาวะเตสังบูปสมสุโขซึ่งแปลเป็นยีความว่ากายเข้าไปสงบกายนั่นเทวเป็นสุขมีหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงนิพพานแล้วขันธ์ห้ากายคือขันธ์นห้าแบบนี้ไม่มีอีก มีแต่สภาวะผลิพานมีความสุขอย่างจีิงให้เราวันทั้งวันให้มีความรู้สึกอยู่เสมอเร่างกายนี้ไม่ช้าก็พังร่างกายคนอื่นไม่ช้าก็พังร่างกายเราร่างกายเขาเต็มไปด้วยความสุขสงบเต็มไปด้วยความทุกมันสุดทนทุกวันไม่ช้าก็ตาย เม่แม่เราทราบว่ารเยตายเราเยจะต้องตัดอะไรในสิ่งความชั่วที่มันจะเกิดกับจิตคือหนึ่งราคะความรักในระหว่างวัตถุัทุกคนที่เรียกว่ารูปสวยจะไม่รูปคนรูปวัตถุก็าตามอย่าไปสนใจมันไม่มีอะไรสวยหรอกมันเป็นความสุขกับเสียงเพราะผ่านโหรแลว้วก็หายไปกลิ่นหอมผ่านจ ม, มูกแลกว้วก็หายไป รสอร่อยไปลายลิ้นกับขาก็กลางลิ้นเข็มคนลิ้นก็หายไปแล้วก็สัมผัสระหว่างเพศไอ้สัมผัสนี่จะตัวระยยำที่สุดไม่ได้สร้างความสุขขึ้นมาเลยมันมีแต่ความทุกข์นั่นอยู่ด้วยกันมันสวยสดงกงามหนุ่มสาวสะเการตลอดสมัยเนี่ยแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวัน ชาวบ้านเขาแก่ให้เราดูชาวบ้านเขาทุกข์ให้เราดูถ้าเราจำเนี่ยมันก็ไม่จิตใจเรื่องนี้ <c oughs> แต่ ว, ว่ายามปกติอาจจะเลิกไม่ได้แต่ตว่าเวลาที่จะเรียนกรรมฐานต้องตัดใจให้มีสภาพเป็นอย่างนี้จิตจะได้สะาอาดโดยการนี้สองาอารมณ์ทุกความนโลกอย่าให้มีขึ้นในขณะที่จิตทรงสมาธินึกว่าใครตายดับแบกอะไรไปได้บ้าง มีกินมีใช้เท่านมีความสามารถจะดึงหาก็พอคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงว่าไปโกงเขาแต่หากินได้สัมมาชีวะใช้ได้แล้วในพจในโกงมันรวยเท่าไหร่ก็ใช้ได้ไมายถือว่าโลกแต่ว่าได้มันแย่จงอย่าคิดว่าเรากรรมันจะอยู่กันได้ด้วยกันตลอดการตลอดสมัยต้องคิดว่าทรัพย์สมบัติเงินทองที่หาไม่ได้ไม่ข้ามเรากรรมันต่างคนก็ต่างแยกทางกัน มันไม่ไปก่อนเราเราก็ไปก่อนมันตายมาลงคุ้มความโกรธความโกรธจะให้มันถึงม่คิดซะว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้จะเป็นท่ายของกิเลสตัณหาบาทานและกุศลกรรมคนที่ทำไม่ถูกใจคนเป็นคนเลวาะเป็นการสร้างมิต ถ่าเราจคิดโกรธคิดประหัตประหารก็ไม่มีความจําเป็นแต่คนประเภทนั้นก็มีความทุกข์่ทุกวันไม่ช้ามก็ตายถ้าไม่เห็ความหลงตัวนี้แล้วก็หลงจิตที่เรจะคิดว่ามนุษย์โลกดีเทวโลกดีสัมมโลกดีจะไม่มีสำหรับเราเราตัดทิ้งใจว่าร่างกายของเราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ถ้าต่อไปไม่มีอิกมันคิดเียงที่เราต้องการนั่นก็ผีปฏิพันธ์แต่เวลาก่อนหลับบรรดาแต่พุทธบริษัทคิดอย่างนี้ได้ตื่นมาใหม่ใหม่คิดอย่างนี้เดินมาเดินไปนึกได้ทางานอยู่นึกได้ต้องคิดไม่คิดไม่ได้ก็แล้วไปทําอย่างนี้ไม่ช้า เ, า เ, าเอามันก็ฉีดไม่น้อยอารมณ์ชิงที่อารมณ์ทรงฌานจิตไม่ว่าสะอาดตลอด ไาจีเพุ่งเขาท่านสะอาดอสินญาที่ท่านได้เนี่ยมันจะมีแต่ความแจ่มใสตลอดเวลาแล้วก็จะใช้ได้ทุกเวลาเวลาจะใช้ในเนไม่ต้องเป็นนั่งหลับตาเข้าฌานหรอกนึกอยากจะรู้นึกอยากเห็นอะไรก็รู้ได้ทันทีนทันใดถ้าจีสะอาดแบบนี้และก็รู้ได้ชัดเจนแจ่มใสมากอันนี้เกืนสําหรับบรรดาไอผู้บริษัทที่ได้แล้ว ในเวลาการหนึ่งเวลาที่จะเริญส ม, มาธิจิตท่านสังให้กําหนดภาพพระขึ้นมาในอกก้อนจริงเราไปเชื่อไหนเชื่อไหนแล้วก็ไปได้แนละ้วก็ต้องควบ ก, กําลังใจนิดเราเห็เห็นพระพุทธเจ้าในสภาวะอะไรเวลาเริ่มภอวนาเน้นถึงภาพพระพุทธเจ้าทรงประทับอยใน อ, อกให้มีความแจ่มใสถ้ามันยังไม่ใสแล้วก็ยังไม่ไปไหน นั่นค่ะนะครับผกภาพเปิดสายเสียงแตไม่เห็นภาพในออกใส่เท่าไหร่ออกไปที่ไหนใสยเท่านั้นสว่างเท่านั้นชัดเจนเท่านั้นอันนี้ต้องทําให้เป็นประจำและในรายการที่ต่อไปสําหรับท่านใดแล้วทุกครั้งที่ทําสมาธิจิตท่านจะไปไหนก่อนกช่างสิ่งที่มีความสําคัญนั่นก็คือเอาอาทิสมาระกายกายที่เปิดไปที่มิถาน ไปนั่าอยู่ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าจะไปที่ไหนพวกเราได้ถ้าไปที่ไหนพวกเราถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้านึกถึงท่านพระมารถแด้การได้ถ้ามีความขัดข้ออะไรก็ทูลถามพระองค์พระองค์ตรับมาอย่างไรทําให้ได้อาชีวพเท่าไหร่อย่นี้ใช้ได้ถ้าหากว่าทําได้อย่างนี้ที่คิดว่าคําว่าเสื่อมละมันไม่มีมีแต่จะดีขึ้น เอเสหลคนเก่าแล้วคนใหม่ก็ฟังได้ด้วยและท่านผู้มาใหม่จริงๆที่ยังไม่ได้ให้ปฏิบัติตามนี้ตอนนี้ไปเขายังวดการสอนแล้วเว้นเวลาไว้ประมาณสิบนาทีในช่วงที่เว้นเวลาประมาณสิบนาทีเนี่ยให้ทุกท่านอาวลาในเวลาภาวนาแล้ไม่ไปอยากดูอยากเห็นนะ เอานาทาใจสะบัดบายกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่านามะเวลาให้ใจออกนึ้ว่าผัผะเวลาที่กาหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกต้อยาบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจเป็นไปตามปุกติีว่ามันจะให้ใจเบาให้ใจแรงให้เจสั้นให้ใจยาวกพราะฉั่งเพามันเอาจิตเข้าไปรู้ เพื่อให้จิตเป็นสมาธิเอาจิตเข้าไปรู้ว่านี่เราหายใจเข้ารู้ว่าเราหายใจออกแลก้วก็ตอนนี้ไม่ตอนน้องแล้พอหายใจเข้าวัเล็กในวันละมะหายใจออกนี่กว่าพระพระในเวลาที่นิกวันละมะพอทระก็ห ล, ด ล, ด ล, ดลดุดรู้ลมหายใจทําจิตสบายสบายเบาเบาอย่าทํารม์ให้มันเครียดมีที่ฝึกแบบนี้ไม่เหมือนฝึกแบบสุขขันธ์สเสโก แล from, ata, ้วก็เหมือนตุกบาทกสินเป็นแต่บาทตุพิเศษก็ขึ้นโดยวิชาดสามฉะนั้นเวลาภาวนาขั้นต้นความจิตสบายเบาๆยะใหนักนักแล้วก็พยายามบังคับจิตจะให้มันอยากรู้จะใมันอยากเห็นที่จะต้องการอยากในเวลานี้ก็อยากจะรู้นี่ลมหายใจเข้าหรือไม่ร้ใจเข้าก็รู้ว่า หาใจเข้าแล้วภาวนาวันละมะเวลาหาใจออกก็ภาวนาวันละพระด้านสายกําลังใจไม่แค่ตอนนี้เบาๆบบาบบสย่างสบายแย้ามันเครียดเกินไปตอนนี้เวลาที่เดึงเราไม่ใจเข้าใจออกคำภาวนามันก็มีบ้างเป็นของธรรมดาลมที่มันพู่เอาเล่าโรกเล่ารีบเล่าร่อยเป็นของธรรมดาอย่าไปกังวลมัน มันอยากจะฟงก็เชิมันฟงมันเลยเมื่อเรารู้ตัวกันดิงมันก็มาใหม่ทําอย่างนี้เป็นปกติอันนี้เวลาที่ครูเข้าไปแนะนําท่านตอนนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญครูเข้าไปแนะนําท่านตอนนี้ท่านพักคำภาวนาเสียพักกำหนดรู้เระมัดใจก็ออกอัิตจะเปติบายฟังคําแนะนำของครู อย่าฟังคําแนะนำนะอย่าฟังแบบนกแก้วลนกคุณทองนะต้องจิตน้อมไปตามนั้นทันทีถ้าครูสั่งให้ตัดขันห้างถ่าเกิดในเมื่อร่างกายเป็นสุขก็ไม่ทุกถ้อทุก็จะมันรู้ว่าอะไรมันเป็นทุกมันเป็นทุกจริงจริงกินหิวก็ทุกปวดท้งขี้ปวดท้องเยี่ยวก็ทุกป่วยไข้เมื่อสบายก็ทุกแก่ก็ทุก เลยมีความปรารนาไม่สมหังไม่ก็ทุกเราต้องรู้เลยจากทุกทีแล้วให้เห็นทุกใต้ท้งก็สังเวยสัตวาขันห้าไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายตายแล้วดูสมบายเขาตายเขาตายแล้วเราก็ต้องทอดทิ้งไปแล้วจิตเป็นรูปหนึ่งภาพคนตายแต่มันแบกอะไรไปได้บ้างในความทุกข์ก่อนที่เราจะมาที่วัดจะทำงานทําการทุกอย่างเรามันทุกข์ทั้งหมด เคยคิดมากกว่าว่ามันเป็นรูปใจิตอะเห็นอะไรต่ารให้ธาตุานั่งค ร, รูบอให้ตัดแล้วก็ตัดให้ได้ขาดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราเกิดมามีร่ากา ย, กายกเพราความโง่ตอบสนิทไมงโง่แล้วไม่เอาไม่แช้เกิดเป็นคนก็ไม่เอาเกิดเป็นชีวดาก็ไม่เอาเกิดเป็นตรงไม่เอาเราต้องการอย่างเดียวคือผลิตภัณ ไม่ต่อไปไจ้ครูเขาแนะนำไปฟังแล้วก็คิดตามตัดชิ้ใจไปทันทีอย่างนี้ถึงจะมีผลทันทีทันใดแม่หรวงเขาเดืดเต็มใสและต่อไปนี้ไปขบันดาท่าพุทธบริษัทหลายตั้งกายให้ตรงจำลงงจิให้มันยำหลุดรู้หละไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและเจรนาตามอัจิยาใช้ยึ่งกว่าที่สญญาบอกเวลาจะสัญญาบอคลิปจะคนเลสนะ นั่นเป็นเวลาที่ชาวผู้ฝึกจะเ้าเวแนะนำท่ังเดินปฏิบัติได้แล้ว